พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสรนสานิสนทนากันครั้งหนึ่งเราเริ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสวร์อทิต์พักแล้วก็มาเริ่มต้นรอบใหม่ของสัปดาห์ถัดไปในวันจันทร์อีกเช่นเคยนะคะเวลาราวตีห้ถึงตีห้าครึ่งดิฉันสันสานินาคพงศ์ดำเนินรายการพระอาจารย์ไพบุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีเป็นผู้มาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้กับพวกเรา ได้รู้ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไว้นั้นเป็นเช่นไรและเป็นธรรมะที่สามารถนํามาช่วยให้เราได้คลายความทุกข์ลงได้จริงหรือไม่วันนี้จะเป็นการสนทนาเรื่องอะไรก็ไปกราบนศรศการพระอาจารย์ไพบุ์กันก่อนเลยนะคะนรสการคะท่านคะเชิญพานค่ะที่ยังเข้าใจว่าในบรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้คงจะมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยรุ่มร้อน นอนไม่หลับมองไปข้างหลังก็รู้สึกโอ้ยเครียดกับผ่านมาแล้วก็โอเคอแต่วันนี้ไปคิดต่อวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากจะให้ถ้าจารได้กรุณาให้คำชีาา้แนะอะค่ะว่าธรรมะช่วยได้ไหมในยามที่เรารุ่มร้อนนอนไม่หลับกระวนกระวายจะแก้ไขได้อย่างไรค่ะพูดถึงองค์ประกอบของคนที่จะนอนหลับได้เนี่ย เ, เป็นสุกเนี่ย ครับผมชอเคยยกตัวอย่างของบุคคลที่มีเครื่องนอนอย่างอลังการทุกอย่างนะเช่นนอนเตียงนุ่มๆ น, นะมีผ้ากำมะหยี่ปูอย่างดีนะอากาศเย็นสบายมีคนคอยรักษาความปลอดภัยเตียงนี่ชนิดเป็นซุ้มเป็นมุ้งเป็นอะไรต่างๆอลังการก็ตามแตนะ่ต่อให้มีเครื่องห น, นุนนอนหมอนแบบรูปร่างต่างๆนะแบบเลือ่อนหรูอลงัองการล่ะทีนี้นะแต่ถ้าบมว่จิตใจของผู้ที่นอนอยู่บนเตียงนั้นเนี่ยมีความรุ่มร้อนเร่าร้อนเนี่ย เตียงสบายขนาดไหนก็ตามเถอะมันก็จะนอนไม่หลับแล้ก็พลิกไปพลิกมาเตี่งคืนตื่นตีสอตื่นเป็นอย่างนั้นแน่นอนอันนี้เป็นธรรมดาแต่ทีนี้มาเปรียบเทียบกับภิกษุหรือใครก็ตามนที่ประพฤติสมณธรรมมีธรร ม, มะเนี่ยต่อให้นอนบนพื้นแผ่นหญ้าธรรมดาก็คือเหมือนกับบนเสื่อธรรมดาบางๆแล้วก็มีผ้าปอนๆคลุมแค่นี้ถ้าจิตใจมีความสบายมีความเย็นอยู่ในใจเนี่ยมันก็หลับได้สบาย ทีนี้สําหรับฆราวาสหรือว่าคนที่ทั่วไปเนี่ยองค์ประกอบที่จะทําให้เราหลับสบายได้ในอย่างน้อย เ, ออเวลาพักผ่อนมันก็ควรจะต้องพักผ่อนละนะปัญหาเรื่องยุ่งยากธรรมดามันก็มีเป็นธรรมดาแต่เวลาพักผ่อนเราควรจะต้องได้รับการพักผ่อ น, นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นั่นคือคือการเจริญเมตตาภาวนานั้นหนึ่งในออนิสงส์สิอย่างของการเจริญเมตตาภาวนานี่คือจะทําให้เป็นผู้ที่หลับและเป็นสุขนะหลับเป็นสุขการหลับเป็นสุขในที่นี้ หมายถึงว่าหลับลึกหลับยาวหลับแล้วได้พักผ่อนจริงๆนี่คือหลับเป็นสุขนะอีกอย่างหนึ่งใน11ข้อก็คือเป็นผู้ที่จะไม่ฝันร้ายนะคือบางคนนอนหลับอยู่แต่ว่าฝันร้ายนะคือหลับเป็นสุขนี่คือหมายถึงว่าหลับแล้วมันได้พักผ่อนนะแต่ไอ้ที่<บ>การได้พักผ่อนคุณอาจจะไปคิดเรื่องไม่ดีฝันร้ายฝันถึงผีอะไรต่างๆอันนี้ก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะนี่คือข้อที่2ส่วนอีกข้อ1นึ่งนะก็คือตื่นเป็นสุข เกนะี่ยวกับเรื่องการนอนนะมีอยู่3อย่างคือตอนหลับก็หลับเป็นสุกนะตอนที่หลับไปแล้วก็ไม่ฝันร้ายแล้วตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสุขด้วยนะตื่นเป็นสุขเป็นยังไงเราอาจจะเคยเห็นเด็กที่เขาตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาไม่เจอพ่อไม่เจอแม่เขาร้องไห้เลยนะเด็กๆ เ, เป็นอย่างนั้นตัวอาตมาเองก็เคยเป็นนะแสดงว่าคือตอนหลับก็หลับดีอยู่ฝันก็ไม่ได้ฝันอะไรแต่พอตื่นขึ้นมาไม่เจอใครร้องไห้ก่อนละ่ะเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะเป็นผลของอะไร เป็นผลของการที่เราเจริญเมตตาเบาณ์นะไอ้ตรงการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณก่อนจะนอนคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าบอกให้ทํามาก่อนนะให้ทํามาก่อนให้ทำมาอย่างดีนะให้ทาเหมือนกับเป็นที่ตั้งอาศัยได้นะเป็นที่จะพึ่งได้ที่อาศัยได้ซึ่งการทํามาก่อนหมายถึงว่าถ้าคุณจะหวังผลวันนี้เมื่อวานนี้คุณทําอะไรันะ้นถ้าคุณจะหวังผลพรุ่งนี้วันนี้คุณทําอะไรนะเรากาลังพูดถึงคุณสร้างเหตุมาก่อน ค่ะอืมเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาภาวนาเราต้องทํามาก่อนเลยนะคือไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วถึงจะค่อยมาเจริญเมตตาภาวนาไม่ใช่เราคุณทําก่อนเลยทําตั้งแต่เช้าเพื่อที่ตอนเย็นมันนอนมันจะได้หลับเป็นสุขแล้ว น, น, นอนก็ไม่ฝันร้ายตื่นเป็นสุขได้่ดิฉันกําลังสรุปอย่างนี้นะคะว่าคือในกรณีที่ไม่เจอปัญหาแล้วไม่หาวิธีแก้ปัญหาที่มาถามท่านอาจารย์ด่วนๆ ว, ว่าเอ๊ะฝันร้ายทํำยังไง ก็ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยนะคะก็เท่ากับ ว, ว่าใครที่ยังไม่เคยฝันร้ายก็เผื่อเอาไว้ได้เลยว่ากินยานี้เป็นเหมือนฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ก่อนและต่อไปในอนาคตข้างหน้าหากคนจะเกิดเหตุที่ทำให้อาจฝันร้ายขึ้นมาโดยของคนอื่นทั่วๆไปมันจะไม่น่าเกิดกับคนที่ได้เตรียมตัวพร้อมอย่างนี้ด้วยใช่ใช่อันนี้วางแผนระยะยาวใช่คือมีทั้งระยะสั้นระยะยาวได้ผลคล้ายกันใช่ อืมถูกต้อง <Okay. S 1> เรื่องการเจริญเมตตาเนี่ยหมายถึงว่าเรากําหนดจิตในการที่จะเป็นมิตรนะคือเมตตากับมิตรเนี่ยมามารากักษาคำเดียวกันนะคือสระเอเป็นเป็นสระอีเนี่ยเขาลงมาเป็นสระเอหรืเป็นเมตตาแต่นี้ก็หมายความว่าเราทําจิตเนี่ยให้เป็นลักษณะว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนมีความรักใคร่มองมองกันด้วยสายตาขอางคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ลักษณะนี้ นะัคือ <Okay. S 1> มีความปรารถนาดีกับเขาว่าอย่างนั้นกับทุกๆคนในโลกทุกสรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างนะจิตแบบนี้นอนไปมันก็เป็นสุขก็หลับได้ดีไม่มีปัญหาค่ะ <Okay. S 1> ประเด็นที่ที่ต้องอาการจะพูดถึงอย่างที่คุณยมติพูดสักครูน่นี้ว่าอันนี้เราต้องเตรียมตัวมาก่อนใช่ไหมเตรียมตัว <Okay. S 1> มาก่อนทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่ได้เตรียมตัวล่ะนะถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนทีนี้มันเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องราวต่างๆพวกพระ ตูมตามเข้ามาเนี่ยมันจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกัตัวล้วทำยังไงเนะี่ยคือเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมจิตมาก่อนไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเนี่ยยังทหารเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกซ้อมรบมาก่อนใช้อาวุธไม่เป็นไม่รู้สมรรถภูไม่รู้จักฆ่าศึกเข้าไปรบมันก็ตายเท่านั้นเองก็ต้องจิตแตกเหมือนกับจิตที่เราไม่ได้เตรียมตัวรับผัสสะมาก่อนนะเขาก็จะต้องถอยนายพลก็ต้องสั่งให้ฐานถอยเราสู้ไม่ไหวต้องถอย เช่นเดียวกันถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราโอ้ยเราไม่ไหวแล้วสถานการณ์แบบนี้งั้นคุณอย่าไปดูมันอย่าไปเสพข่าวนัะหลีออกมาอย่าเอ า, เอาทําให้เราเกิดผัสาะที่ไม่น่าพอใจออกมาก่อนออกมาก่อนนะไม่ ง, งั้นจิตเราจ ะ, ะแตกได้ต้องระวังค่ ะ, ะถ้าในกรณีหลี ก, ก่อนเนี่ยก็จะมีคนที่ทําได้และทําไม่ได้คนทําได้ก็คือว่าสถานการณ์ไม่บีบบังคับแต่บางคนจนจำเป็นต้องอยู่ท่ามกลางอะไรที่บีบบังคับเช่นนั้นเช่นสภาพแวดล้อมเราเนี่ยกเ็เป็นคนที่ มายัดเยียดผัดจะที่เราไม่ต้องการนะคะอ่าจนกระทั่งเราอาจจะรู้สึกว่าแม้มันไม่ไหวอะมันอดทนไม่ได้อื <c oughs> หรือว่ามันโกรธอะจะทํำยังไงดีคะท่านคะเออถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยอย่างน้อยเราอย่าทําผิดศีลเราอย่าทําผิดศีลคือบางทีเรารุ่มร้อนร่าร้อ น, นมันก็ธรรมดาใช่ไหม ม, มันเกิดขึ้นได้แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอโทษนะอย่าทําผิดศีลอย่าไป็ฆ่าใคร อย่าไปด่าด้วยวาจาหยาบคายร้กาศอย่างนันอดทนไว้ให้ได้คือจิตมันรุ่มร้อนเล่าร้อนมันก็เป็นไปได้ว่าเรายังไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าอย่างน้อยอย่าไปทําชั่วก็แล้วกันท่านปุณิย์ครับก็เข้าใจกันง่ายๆแล้วแหละว่าท่านกําลังบอกว่าถ้ามันอดทนยากก็อย่าไปทําในสิ่งที่ผิดศีลอแต่ท่านได้กล่าวถึงเรื่องของวาจาชั่วร้ายบางคนบอกว่าวาจาชั่วร้ายไม่ใช่ศีลห้าคะคําหยาบเนี่ยท่านได้ยินพระพุทธองค์ตรัสบ่อย อ่าที่ว่าไม่ให้พูดคาหยาบจึงอยากกราบเรียนถามท่านนะคะว่าเป็นผิดบาปด้วยหรอเพราะบางคนก็บอกว่ามันเป็นการระบายค่ะท่านคะบางทีเหมือนกับว่าแม้ฟังในสิ่งที่ไม่ชอบใจฉันก็ไม่ได้ทําอะไรใครนะฉันขอแค่ได้ด่ามันสักหน่อยนึงอืบางทีด่าเจ้าตัวถูกด่าเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคะด่ารับหลังก็ได้แต่ขอให้ได้ด่าซึ่งบางทีฉันก็เตือนคนข้างๆเขาบอกว่าอย่าไปด่าเขาก็จะถูกตอกหน้ากลับมาว่า ก็เขาไม่ได้ยินอีกคนที่เราด่าค่ะเสียหายอย่างไรค่ะท่านคับอาที่ประเด็นก่อนว่าที่เราจะได้ยินกันมากๆเรื่องของศีหน้าก็คือแค่การโกหกการพูดใจหยับคายการพูดเบอร์เจอร์อะไรพวกนี้มันมันไม่ได้อยู่ใน5ข้อนั้นแต่มันอยู่ในหมวดของสัมมาวาจาคือบางทีเนี่ยพระพุทธเาเอาข้อ5ออกก็คือการดื่มสุราออกแล้วเอาอีกมิจฉาวาจาสัมมาวาจาอีก3ข้อที่เหลือเนี่ยใส่ลงไป นะคือแทนกันเลยนะคือแทนที่จะมีศีล5้าใช่ไหมเอาข้อ5ออกแล้วเอา3ข้อใส่เข้าไปเป็นศีลเข้อนะเราบอกอันเนี้ยเป็นของอุบาสกอุบาสิ ก, กาเนะที่จะต้องเป็นโสดาบันที่เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่เพราะนั้นถ้าถ้าพูดถึงว่าเอาสุราออกคือคนคนที่กินเหล้าเนี่ยนะลักษณะหนึ่งที่มันจะเหมือนกันกันกบคนที่พูดเพ้อเจอพูดคำหยาบเนี่ยก็คือความเมานะ ม, นมันเมาในในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะนั้นสมมติเราเมาอยู่ในสถานการณ์เนี่ยเรามึนโอ้ย Version. ไม่รู้จะทำไงดา่ากันแล้วกันพูดเพอเจอร์ ก, กันแล้วกันพูดตลกกันแล้วกันนี่คือลักษณะของคนที่เมานะถึงจะทำอย่างนั้นค่ะอ่าคือมันเมาอะ่ะมันเมาจากสารอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันหลั่งมาในสมองนะซึ่งในกรณีนีน้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เหล่าก็ได้พอเมาแล้ว ม, มันก็ใช่เมาแล้วก็พูดเพอเจอร์ละพูดคำหยาบละซึ่งต้องหลีกเลี่ยงไม่ดีไม่ดีไม่ควรทำนะเป็นเรื่องของสัมมาวาจา คือมักองหนึ่งในบรรดาบบทั้งแปดองนะคะถ้าท่านผู้ฟังคะถ้าใครทำตรงนี้ได้สัมมาทิที่คุณก็ได้ค่ะนะคะทีนี้ถ้าจะแปลงง่ายๆเดี๋ยวันขออนุญาตนะครับว่าบางท่านอาจจะใหม่สัมมาวาจาการพูดชอบที่ท่านไพริบุญกล่าวถึงว่ามีการพูดสามอย่างนั้นก็คือพรุธิองค์แต่ไม่ให้เราพูดโกหกไม่ให้พูดคำหยาบสี่อย่างนะคะไม่ให้พูดส่อเสียด ทำให้คนแตกแยกกันกับไม่ให้พูดเพ<ม>้อเจ้อที่หาเหตุผลอ้างอิงไม่ได้ทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดก็คือหนทางอันยิ่งใหญ่ที่จะพาพวกเราไปสู่การพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใช่ค่ะมีประเด็นนิดนึงที่ที่คุณโยมติวพูดเมื่อสักครู่คือไปด่าเขาทีนี้ด่าแล้วมันเหมือนการระบายพร ะ, ะพุทธเจ้าตเตือนไว้คุณโยมติวตรงนี้บอกว่าไอ้ความกโกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่า มันจะมีรากเป็นพิษนะแต่มียอดหวานใอย่างยอดที่โผล่มาทางปากเราแล้วพูดปุ๊ยปุ๊บปุ๊บออกมาเป็นคําด่าคำอะไรเนี่ยมันรู้สึกสบายใจเหมือ hey. นเหมือนหวานหวานิดนึงแต่ว่ารากของมันเนี่ยเป็นพิษนะรากมันเป็นพิษไอ้ความโกรธที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นพิษนะมันจะทําให้ผิววันเราซามทาให้การตัดสินใจผิดพลาดซึ่งมันเป็นผลมาจากความโกรธทําให้เราพูดอย่างนั้นอย่างนั้นออกมาแล้วรู้สึกสบายนิดนึงรู้สึกแบบมันปลดปล่อยนิดนึงก็คือยอดหวานนั่นแหละ แต่รากก็มาปเป็นพิษนี่ต้องระวังอืมค่ะอย่าคิดอย่าเห็นแต่ยอดที่มันหวานอืมแต่ขอให้คำหนึ่งด้วยว่าความโกรธนั้นมันมีรากที่เป็นพิษใช่ก็คือมันจะเผาผลาญเรามันจะส่งผลร้ายสรพัดต่างๆนานาใชด่ดิฉันเพิ่งไปฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการที่จะตรวจพิสูจน์หลักฐานจาก คนที่ก่ออาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเช่นเกิดวางระเบิดหมู่อะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เห็นว่าอารมณ์ของคนชั่วรูปทําให้คนทําลายล้างได้แม้กระทั่งตัวเองแล้วทําภายในปริปตาที่ไม่มีใครช่วยได้หรือบางทีก็ฆ่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยพร้อมๆกันหลายๆคน ตลอด <Okay. S 2> จนกระทั่งอย่างวางระเบิดอย่างเงี้ยนะคะโอ้ดหที่ขึ้นดูแล้วได้คิดในแง่ธรรมะว่าโอ้อารมณ์ของเรานี่มันน่ากลัวนะอืมมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดซึ่งเจ้าตัวเนี่ยถ้าหากว่ามีเวลาอีกสักห้าวิคิดต่อได้ไดิ่านเข้าใจว่าการทําลายล้างอย่างนั้นในบางกรณีจะไม่เกิดใช่แต่ <No. S 2> สูญเสียไปแล้วค่ะเยียมมา น, นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งในสิ่งที่ท่านไปบบุญได้กรุณา ให้ความรู้เกี่ยวกับเราว่าเอาธรรมะเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ดับความเร้าร้อนนอนไม่หลับฝันร้ายได้อย่างไรคือเตรียมเจริญ เ, ต ม, เตมตตาเอาไว้กันแต่เนิ่นๆโอกาสที่จะรับมือกับสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเช่นกรณีรุ่มร้อนนอนไม่หลับกับสถานการณ์ต่างๆแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการให้ปิดผัสสะนะคะว่าถ้ามันดูมันได้ยินไม่สบายใจแล้วมันไม่มีความจําเป็นจะต้องไปรับรู้ก็ปิดผัสสะ เสียบ้างก็ดีแต่ในกรณีที่ปิดไม่ได้สภาพแวดล้อมบังคับอันนี้ล่ะค่ะขอให้ตั้งสติกันให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของวาจาท่านไตบูรณ์ก็ได้พูดว่าถ้าคิดว่ามันเป็นการระบายความโกรธพระพุทธองค์ตรัสมีอุปมาเอาไว้น่าสนใจมากว่าเปรียบเสมือนต้นไม้นะคะที่ยอดหวานแต่ถ้าดูไปถึงรากรากเป็นพิษเป็นอันตรายกับใคร ที่ไม่ใช่ไกลตัวเลยคือเป็นอันตรายกับตัวเราเองนะคะเราโกรธคนอื่นเนี่ยพิษมันเกิดที่เราใช่ไหมค ะ, ท, าาคะท่านอาจารย์คะเจ้าอาวาสทุกทางนะคะงั้นวันนี้ก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านไพบื่อเอาไว้เป็นอย่างยิ่งเลยพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการสรนสนีสนทนาโดยดิฉันสันสนีนาคพงศ์กันได้ใหม่นะคะหรือถ้าท่านอยากจะไปติดตามธรรมะมากกว่านี้กับพระอาจารย์ไพบืู่นก็ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะคอม วันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพุทธสวสสดีค่ะ